ห1 7จุหนึ่งเจธรรมะจากมัตตาสังยึดอะไรก็ทุกเพราะอันนั้นวงเล็บเปิดสมสิบเอ็ดมีนาคม2550ห้าห้าสิในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่วงเล็บปิดการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นนะแต่ต้องใจถึงถึงจริงใจซื่อสัตย์กับตัวเองที่จะเรียนรู้ตัวเองความไม่ดีของเราซ่อนเร้นอยู่เยอะในแต่ละคนเก็บขยะไว้เต็มไปหมดเลยเปิดคลังมหาสมบัติออกมาเจอขยะต้องอาศัยความตั้งใจจริง กล้าสละประโยชน์ส่วนน้อยก็คือความสุขอย่างโลกโลกความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาเลยความสุขของโลกมีนิดเดียวคับแคบลองมาศึกษาปฏิบัติธรรมเราจะพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขในโลกเหมือนเราเป็นปลาทองอยู่ในตู้แคบแคบถูกเขาเลี้ยงไว้อยู่ไปวันวันถึงมวลาก็มีกินมีอยู่ไปวันวันเดี๋ยวก็ตายเขาก็เอาตัวอื่นมาเลี้ยงแทนอย่างบ้านเรานะอยู่ๆไปพอเราตาย คนอื่นเขาก็มาอยู่แทนเมื่อก่อนมีเพลงด้วยซ้าไปนะพอเราตายสามวัยพ้นมือเมียเราก็ไม่รู้เป็นเมียใครจําไม่ได้ฉะนั้นต้องกล้าอย่าไปหลงกับความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากนักนะศึกษาปฏิบัติธรรมเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจของเราบ่อยๆสิ่งที่เป็นภาระที่สุดสาหรับพวกเราก็คือกายกับใจของเรานี่แหละมันเป็นภาระมากอย่างร่างกายดูสิ เราต้องดูแลมันเยอะนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเยอะแยะเลยรักห่วงแหนที่สุดเลยนะทั้งทั้งที่ขี้ทั้งนั้นเลยนะลองไล่ลงมาตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนเห็นไหมสูงสุดจนต่ําสุดมันวิเศษวิโสอะไรนักหนาไปหลงกับมันทําไมดูลงมานะดูลงมาในกายดูลงมาในใจเมื่อใดหมดความรักในกายหมดความรักในใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วเพราะสิ่งที่เรายึดถือที่สุด ก็คือกายกับใจของเรานี่เองเพราะเราไม่ยึดถือในกายในใจแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วจิตใจมีแต่อิสระภาพเพราะว่าเมื่อเราไปยึดอะไรไว้นะเราจะไม่เป็นอิสระเพราะสิ่งนั้นแหละอย่างเรายึดในทรัพสมบัติเราไปไหนไม่รอดเลยไปไหนเราก็ห่วงสมบัตินะไปไหนไม่ได้เราไปยึดอะไรก็ติดอันนั้นแหละไปไม่รอดยึดลูกยึดเมียไว้ก็ไปไหนไม่ได้เป็นห่วงคนโบราณท่านเปรียบดีนะ อย่างเวลาคนตายเขาจะผูกมัดตราสังแล้วเขาจะมัดสามข้อมัดคอมัดมือแล้วก็มัดเท้ามัดคอบอกว่ามีลูกนะเหมือนเอาเชือกผูกคอไว้ทําไมผูกคอรัดแน่นๆกินไม่ลงนะอย่างพ่อแม่คนไหนจนหน่อยเจอของอร่อยๆกินไม่ลงนะคิดถึงลูกมันถูกผูกคอไว้มีสามีภรรยาเขาบอกว่าเหมือนถูกเอาปอผูกศอกภาษาอีสานนะคุณแม่น้อยเคยท่องให้หลวงพ่อฟัง มีลูกเหมือนเอาเชือกผูกคอมีเมียเหมือนเอาปอผูกศอกมีสมบัติเหมือนเอาปลอกติดขาเวลาเรามีแฟนมีคู่รู้สึกไหมเราไม่อิสระเหมือนเราถูกมัดมือไว้บางทีถูกมัดมือชกนะมันไม่อิสระนี่ความสุขของโลกนะมีลูกเราทุกพ่อลูกเห็นไหมมีสามีภรรยาเราก็ไม่อิสระจะทําอะไรเคยอิสระมันก็ไม่อิสระแล้วมันไม่คล่องตัวมีสมบัติเหมือนเอาปลอกติดขาไว้คือไปไหนไม่ได้ มีสมบัติต้องนั่งเฝ้าสมบัติไว้ไปไหนก็กลัวหายแล้วก็เป็นทุกข์นะมีความทุกข์ดังนั้นในโลกเรามีอะไรก็ทุกข์เพราะอนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีวัวก็ทุกข์เพราะ ว, วัวมีนาก็ทุกข์เพราะนามีทรัพย์สมบัติก็ทุกข์เพราะทรัพสมบัติทีนี้คนในโลกไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์นะอยู่ตามๆกันมาก็เที่ยวสแสวงหาหวังว่ามันจะดีได้มายิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นภาระเยอะนะคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมาก มีแต่ความต้องการเทียมเยอะความต้องการเพื่อเอาหน้าเอาตาหลอกๆถ้าเรามาดูลงในกายในใจเรายึดอะไรไว้เราก็ทุกข์เพราะอันนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดคือกายกับใจไม่ใช่ลูกนะบางคนบอกรักลูกที่สุดจริ ง, รงๆไม่ใช่รักสามีภรรยามากที่สุดไม่จริงหรอกโกหกนะใครมาบอกเราว่าผมรักคุณมากกว่าชีวิตผมชี้หน้าเลยนะบอกว่าโกหกคนที่เขาจิตปราดเปรียวเขารู้นะอย่ามาโกหกนะ ไม่มีอะไรรักมากเท่าตัวเองหรือเรารักจิตใจของเราเราอยากให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขสนุกสนานจิตใจมันก็สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างแกว่งขึ้นแกว่งลงไปตามเรื่องของมันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงถ้าเรารู้ลงในกายรู้ลงในใจพอไม่ยึดกายเราก็ไม่ทุกเพราะกายแล้วไม่ยึดใจก็ไม่ทุกเพราะจิตใจจะมีความสุขที่นึกไม่ถึงน้ําตาร่วงเลยนะว่าความสุขเช่นนี้ก็มีด้วยเหรออาศจัน ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอาัศจรรย์จริงๆสอนให้เรารู้กายสอนให้เรารู้ใจจนปล่อยวางกายปล่อยวางใจเข้าถึงธรรมะที่มีแต่ความสุขล้นล้นเลยอัศจรรย์ที่สุดความสุขอย่างโลกโลกเป็นความสุขคับแคบเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เต็มไปหมดเลยรักอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นแหละ